แต่มาสู่กันฟังมีผู้ฟังมีผู้พูดฟังแล้วนำไปศึกษาไปปฏิบัติไปทำศาสนาเราก็อยู่ได้ถ้าไม่มีใครฟังไม่มีใครพูดไม่มีกันกระทำมันก็หมดแล้วเราก็พูดในสิ่งที่เราทำได้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 มันก็ทำได้จริงๆริงมือเราก็มีอยู่พริกมือเราก็ลู้อยู่ยกขึ้นเราก็ลู้อยู่เราทำได้เรว่ารลู้มันก็คือไม่หลงนั่นแหละถ้าตัวลู้มากๆความไม่หลงก็มีมากๆก็ททำได้จริงๆริงหมายว่ามีความหลงมันก็ถ้ามีความลู่ความหลงก็หมดไปหมดไปเป็นพรักเป็นพัก ยังไม่ถาวรก็ไม่เป็นไรแต่ก็ททำไปเรื่อยๆถ้ามันไม่หลงถาวรเราก็เรียกว่านิโรธถ้ามันหลงยากไปถาวรก็เรียกว่าเป็นกระแสเราก็ได้ชิมลดต่อเป็นนิพพานก็ได้ชิมดูมันไม่ปรุงมันเป็นวิสังขาร สังขารคือมันปรุงวิสังขารคือกานไม่ปรุงเราก็อยู่ตรงนี้แหละทำอยู่ตรงนี้แหละเราไห้มันปรุงเราก็เปลี่ยนไม่ปรุงผมปรุงก็คือความหลงความหลงคือความคิดความคิดก็ปรุงไปต่างๆนานาล้วก็เราก็ลบมันได้เปลี่ยนได้ถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่ใช่วนอาทตปฏิบัติแต่วิธีที่ทาก็ทาให้มันแม่นแม่น บามแม่นก็คือรู้แล้วนั่นแหละอะไรที่เกิดขึ้นกับกายกับใจก็คือรู้แล้วแนละ้วว่ารู้แล้วเนะ่ะเป็นยอดของสติแล้วเป็นคุณค่าของสตินี่คือสติปัฏฐานแต่ว่ารู้แล้วาเป็นภาษาคำพูดแต่ภาษาปรมัภเนี่ยไม่ได้พูดตอบเพราะิกมือขึ้นนะี่ยนระู้เนี่ยจนรู้แล้วนั่ะเนี่ยสติปัฏฐานยกขึ้นรู้แล้ว เค่นไว้ไปมาลู่แล้วลู่แล้วลู่แล้วนี่คือสติปัฏฐานไม่ใช่คิดไปลู่ความคิดไป ข, ขึ่งลูครึ่งหลงไปอ่อยตามความคิดไปอันนั้นไม่ใช่สติปัฏฐานถ้าสติแบบนั้นใครก็ไม่ได้จัดสาราสิงกนผู้ไร้ก็ไม่ได้แต่สติปัฏฐานลู่แล้วลู่แล้วเกาะอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมไม่ไปไหน มันก็ในเม็ดมันก็เราเกาะอยู่ในหลักกลางน้ำไหลเขี่ยวเราวางเวลาใดมันก็พัดพาลราไปเราก็กลับขึ้นมาเกาะไปอยู่เกาะนานนา น, านานเข้านานเข้านานเข้าทวนด้วยน้ำไหลแล้วลอกแล้วลลอกลอกก็รูดรูดอยู่ตรงนั้นละอืมความรู่มันก็มีความชํานาญเหมือนกัน ให้มันชนานาญให้มันรู้บ่อยๆให้ลู้มากๆให้ลู้อยู่รู้อยู่เป็นหลักเป็นหลักมันก็เกิดความ ช, นชนานิชานาญได้หลังจาเราขึ้นลงเขาขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาก็ชนานาญขึ้นใหม่ๆอาจจะไม่อล้าปวดขาล้าแข็งขึ้นบ่อยๆทุกวันวันละหลายชั่วโมงวันละหลายเที่ยว แว่าไม่ให้เขาสูงสงมันลหลายๆเที่ยวหลายเที่ยวฉันเดินขึ้นหัวไตนะ่ะเดินใหม่ๆอาดจะทวนกระแสเหนื่อยบ้างแต่เดินทุกวันทุกวันไม่รู้สึกว่าเป็นอะไรในสมัยหนึ่งไปเลื่อยไม้ตั้งแต่อยู่วัดป่าพุทธยานแต่ท่อนไม้มันอยู่ในในก้นห้วยแล้วก็ไปเลื่อ ย, อยใต้ก้นห้วยแต่ว่า ที่อยู่ก็อยู่ข้างบนเป็นนอนอยู่ในป่าเลยเดินขึ้นเดินลงทุกวันเดินลงไปเรื่อยไหมเดินขึ้นมาเอาข่าวเอาของเอาอะไรต่างๆเดินขึ้นเดินลงเอาไปมานั้นมันก็เดินอยู่ธรรมดาไม่ได้ขึ้นไปไนะไม่รู้สึกวันเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วมันํำนานอันนี้ขนาดนั่นก็ยังรู้ได้ทำได้ไม่แปลก กานรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆความรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆมันก็ชํานาญได้มันก็เลยลอกได้ง่ายที่จะลูบอะไรที่ไม่ได้เจตนามันก็รูบได้อันเกี่ยวกับความรู้นะอันเกี่ยวกับความหลงมันก็ยากที่จะหลงเกี่ยวกับความรู้มันง่ายที่จะลูบทำไปใหม่มันง่ายที่จะหลงทําไปทํามามันก็ง่ายที่จะลูบความหลงมี แต่ว่าไม่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ความกลมลงมีมีปัญหาสัดไปหลงไปจนตรงจนแจงไปเอาไปมาความหลงกลายเป็นปัญญาเป็นประสบการณ์เป็นความโลกเป็นความชัดเกณฑ์เป็นความปรารถนาด้วยหลงทีใดจะไ ด, ได้ปัญญาทุกทีเห็นแจงทุกทีแต่ก่อนหลงทาไดก่อนหลงไปตรงไปเอาไปมาความลงกลายเป็น ประสบการณ์บทเรียนที่เยี่ยมยอดมากเฮ้ยเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ได้โอยมีค่ามากหน้าไหว้ตัวเองได้ก็ยิ้มก็ยิ้มตอนนั้นหระไม่ปัญญาก็ภูมใจตอนนั้นแหละพูมใจที่มันเปลี่ยนหลงเป็นรูกเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกขนะ์หน่ยเป็นความภูมใจจุดอ่อนของคนเราอยู่ตรง น, นั้น เอาความรู้เราก็ต้องสร้างนะครับขยันสร้างไปสร้างไปโดยไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องไปคิดอ่ถึงวันถึงเวลาไม่คิดถึงชีวิตอะไรทั้งหมดเราเราความทําความรู้สึกตัวมันถูกแล้วสมบูรณ์แล้วมันเป็นกรรมที่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 ความรู้ไม่ต้องประเมินมันเป็นการสัมผัสที่มันเป็นความชนิดชันนานต่างหากความรู้ประเมินได้แต่ความอ่อประสบการณ์ความสัมผัสอยู่เรื่อยๆมันเป็นสิ่งที่ประเมินไม่ได้มันความรู้มันความรู้ความรู้สึกตัวคือมันรู้แล้วละรู้แล้วละอย่างเนี้ยความรู้จึกตัว ไม่มากก็ไม่ใช่ประเมินเราก็สร้างเอาสร้างเอาลู่เอาลู่เอาลู่ไปลู่ไปไม่ต้องเอาเพศเอาไว้ไม่ต้องเอาอชาติภาษาลัทธินิกายต้องรู้สึกตัวเนี่ยเราก็ทำไปโดยเฉพาะรูปแบบที่เราทำมันก็ช่วยเราได้เยอะ เดินจงกรมก็เป็นรูปแบบที่ชัดนั่งสร้างจังหวะก็เป็นรูปแบบที่ชัดเจนกว่อาอริบทตื่ น, ตนแต่ถ้าทำไปทำไปทำไปอาจจะชัดกว่าชัดอยู่ทุกอริบทติดตาหายใจคกนน้ำลายแต่ว่าวิธีทำไหนให้มันเป็นหลักเป็น จุดถ้าลู่ที่มือก็ให้ลู่ที่มือไปล้าไปจับโน่นจับนี่แต่เดินก็ให้ลู่ที่เดินไปอารมหายใจก็รมหายใจลู่ไปตั่งต้นใหม่กับฉากใหม่เดี๋ยเรื่อยไปถ้าอยู่ในฉากเดียวกันก็ทำให้พ้าได้เรียนฉาก ทำใหม่ๆเนี่ยให้หัดเปลี่ยนฉากตั้งใหม่มันจึงจะชัดแล้วเราสอนเด็กสอนนาทีน้อยๆชั่วโมงน้อยๆแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนฉากใหม่ให้เขาได้ไม่เบื่อที่เป็นเราบางทีเราโอ้มเกินไปมันก็กลัวแนละ้วพอจะนั่งสร้างจังหวามันกลัวแล้วกลัววิธีกลัวของมันก็คือง่วงนะ เครียดน่ะคือจะเป็นเรื่องยากา น, นั่นแหละมานนร่างสร้างจังหวะมันเป็นเรื่องยากกว่าเดินจงกรมก็เป็นเรื่องยากมันเดินไปเล่น น, น้เนเล่นเน่ก็คือง่ายกว่านนะมันเครียนเกินไปชีวเราบางทีไม่ต้องเครียนเหมือนวัว บ, บางตัวไม่ต้องเครียดมันรู้แล้วมันพยายามของเขาอยู่ของพ่อเคยฝึก กัวเทียมเกวียนเคยเผืกัวเทียมขาดเทียมไถบางตัวมันลูก่กว่าเรามันลู่หลบลู่หล็ ก, ลกเวลาไถมันถูกลากไมมในดินเราไม่ลู่เท่ากับมันเลยเราพยายามเขี้ยนมันมันไม่ไปเขี้ยนเทเรมันก็ยิ่งถอยเขี้ยนเทเรมันก็ยิ่งถอยแต่คนที่ไม่ฉลาดที่ไม่รู้ไม่สังเกตก็โกรธให้ควยตัวเอง เยี่ยนเท่าไรมันก็ไม่ไปหรอกมันก็เด็กหัวมันก็ควัดหัวก็มองหน้าเรางวกมมองหน้าเราไม่รมันอะไรกันพอมือจกล่วงลงไปในน้ําในดินที่ไหนได้ไถมันไปถูกลากไม่อยู่ในดินโอ้ยพออยากกราบไหว้ควายตัวเองเราไมโง้อต่างหากชีวิตเราบางทีก็ไม่ต้อง ตรงรีดมันลู่อยู่แล้วมันง่ายอยู่แล้วไม่มีใครจะชั่วถึงที่สุดเเพียงยกมือสร้างจังหวะลู่มันก็ผ่านบาปมาแล้วและยกมือสร้างจังหวะลู่สึกตัวมันผ่านบาปไปแล้วมันลุยอยู่ในกองศีลแล้วน่าจะไปเอาอะไรหรือเราอยู่ในศีลเรายังไม่ลู้ล่ ลู่อยู่เราอยู่ในสมาธิเราตั้งใจลู่อยู่ใส่ใจลู่อยู่เนี่ยเราจะหลุดไปทางไหนความใส่ใจที่จะลู่อยู่เนี่ยมันก็เป็นศีลเป็นสมาธิแล้วการลู่สึกตัวมันก็เป็นศีลรักษาศีลแล้วรักษากายวาจาให้เรียบร้อยก็เป็นศีลเราไม่ไปด่าใครเราไม่ไปฆ่าใครไม่ไปคิดอะไรที่ไหนเราก็สำรวมอยู่ เราก็ไม่ได้ไปมองโน่นมองนี่หูเราก็ไม่ได้ไปชอบลุกลี่ลุกลนไปฟังเสียงเพลงไปฟังเสียงอะไรต่างๆไม่ได้ไปเรานั่งอยู่นี่เรานกยกมือช่างจังหวะอยู่เนี่ยมันผ่านบาปมาแล้วมันถึงที่ได้พักแล้วมันก็เรานั่งอยู่สาราไก่ฝนตกลงมาเราก็ไม่เปียกแดดออกก็ไม่ถูกเราเพียงกระโดดลงไป ไม่ใช่แล้วรู้อยู่นี่ก็ถูกแ ล, ล้วล่ะรู้ศึกตัวอยู่รู้สึกตัวอยู่นี่ตั้งค่อยตั้งเหลังกับเด็กตั้งไข่ลม้ลมลงไปกับลุกขึ้นนั่งลุกไม่ได้ก็พ่อแม่ก็ไปจับขึ้นลุกนั่งอ่นั่งนั่งอานั่งไปนั่งมาก็งกโงอกมาแง่ก็โง ก, ง ก, ง ก, งกไปชงงกนู่นชงงกหลังเขาก็ช่วยตัวเขา อดีเขาช่วยตัวเขาไม่ได้พ่อแม่เขาปะครองไว้นั่งไปนานวันนานวันเขาก็ เ, เจ้งของเขาลุกขึ้นเดินได้ความการฝึกตนเองก็เหมือนกันต้องใจเย็นเย็นรอได้คอยได้ไม่ต้องรีบร้อนอผิดบ้างก็ไม่เป็นไรหัวเราะความผิดตัวเองจากไป ขุ่มข้องคิดอะไรต่างๆอาไดที่มันคิดก็หัวเราะความคิดตัวเองอะไรที่มันผิดก็หัวเราะความผิดตัวเองแล้วก็อย่า อ, อย่าไปทำซ้าๆการหัวเราะแบบความรู้สึกตัวมันหัวเราะแบบท่าทายงั้นเรานั่งพักผ่อนไม่ใช่เพ่แพร เราทำไปทำไปมันก็เมื่อยเป็นร่างกายก็นอนลงไปนั่งหลับตาหายใจส ง, งบลงไปเราพักเพื่อจะสู้นะเราไม่ได้พักเพื่อปลาระชั ย, ยพ่ายแพ้มันเราปั่นขณนะจับจอบขุดตึงซิดขึ้นขนันนะจับบมบอมบม บ, บ, บมันหลายชั่วโมงก็เมื่อย เราก็วางด้ามจอบเปน็นนั่งนั่งเนี่ยตามันยังดูคันนาอยู่มันยังดูด้ามจอบอยู่แต่ไม่ได้ทําแต่มันดูใจมันอยู่โนูนนั่งแล้วหายใจนั่งเงือไหล่โซมหายใจมันยังคึ้สู้อยู่นั่งฟักสักน่อยลูกคนไปจับด้ามสอบได้แรงใหม่อืม เยี่ยวยากำลังขึ้นมาให้จับทําไปอีกหลายชั่วโมงนั่งอีกอมไม่ได้แพ้เลยการนั่งมันไม่ใช่ว่าเราจะลุ่มระุดระพฤเลยมันก็เอาไปมาก็เจ็บใครได้ป่วยไม่ไหวบางคนนะปัดสวะเป็นเลือดก็ไม่สมัยก่อนการทำความเพียรการเดินจงกลม ปองคนเพื่อนของผมเนี่ยไสเลื่อนก็นเอผมก็ทําท่าจะเป็นเหมือนกันชวนกันไปซื้อกางเกงชั้นในมาใส่ผมไม่ใส่อเอาไปมามันหายยังไงไม่รู้แะ้วหยเลยแต่ก่อนเจ็บด้วยเออนว่ากกขาก็แตกแต่ให้ไม่แตกเลยอ่าไสก็ไม่เลื่อนเลย หายไปไหนไม่รู้ธรรมธาจะเป็นมันอะไรไม่รู้ทำใหม่ๆนี่หลายเรื่องหลายราวองค์ก็จะเป็นไข้เป็นร้อนเป็นหนาวไปไม่เป็นไรอย่าไปกลัวอะไรก็ตามหรือว่ามันก็ไม่ไลยใครชนะมาฟผีๆมันต้องสู้กับอะไรหลายๆอย่างการเจริญสติสู้กับความหลงมันเกิดขึ้นกับ อาการต่างๆของกายของใจบางทีก็เรื่องของร่างกายก็มีเหมือนกันเดินจนกกขาแตกเด้ว น, นี่มันก็ไม่แตกนั่นก็เป็นความชำนาญของมันเองการกระทานี่เราไม่เก่งกว่าธรรมชาติบางทีธรรมชาติจะจัดสัตว์ตัวเรา สั่นตัวหรอกหวังก็คนทวนเนี่ยปวดเมื่อยนิดหน่อยกินยาปวดหายทันใจเพื่อจะเอาชนะการปวดของร่างกายพอมันง่วงเอ้าไปนอนใช่เพื่อจะให้มันหายง่วงอาอะไรนิดหน่อยไอนิดหน่อยเอากินยาเอาถายนิดหน่อยกินยา้าไปมาไม่เก่งหรอกสู้แบบปล่อยป ล, อ, ยลองดู ำถำ่าจะเป็นหวัดเป็นไข้เล็กหน่อยเลือกทางที่ไม่ต้องกินยาไหวก่อนอ่อยให้มันช่วยตัวมันเองใช่ไหมคุณหมอลองพ่อชี้ใจนั่นนะบางคนเนี่ยปวดเลยเล็กหน่อยกินยาแล้วไอเล็กหน่อยอพ่อใหญ่หนูถ่ายอมาขอยากับหลว ง, งพ่อหลวงพ่อไม่หัวซาอะไรเ <c oughs> อ้ยหัาอะไร ให้มันถ่ายสักสองวันนี่งก็ไม่เป็นไรเราก็กลัวตายไม่กลัวเลยแล้วไปกินลองดูให้มันถ่ายแต่ถ่ า, ถายเขาก็เคยนะเขาเอาไปไปอยู่สวนโมกไปอร่อยสิบสี่ไปจะ ม, มีคนรู้จักสักคนแล้วเอาไปอยู่ที่นั่นมันก็ธรรมชาติมันก็ดีไปกินอาหารใต้ เรากินอาหารอิสานดูอยู่รลบไปกินอาหารใต้มันก็ปรับสังเกตดูนะมันก็ถ่ายนั่นแล้วในคืนนั้นถ่ายจนเดินลงไปในห้องน้าไม่เกือบไปไม่ไหวมันก็หมดแรงแล้ว ห, หมดแรงแล้วก็ไม่เราก็ได้เพราะเีมีกระทนเราก็ได้ พ, ด า, ดพาคนนูมมันนอนเอาผ้านหนุ่ง เปลี lavoro, os, careers, o, y, ่ยนออกก็เฝ้าคนโน่นนอนนอนโต๊ะใส่กระถินเลยได้แต่มันจะออกมันหมดแรงนะก็คิดว่าอ้าวถ้าตายนี่ก็ตายอยู hey, ่บนกตินี่แหละคงจะไม่ใครมาเห็นอาจจะเหม็นสี่ห้าวันหกวันแต่จะมีกลิ่นเหม็นเอามาดูจะเห็นคนตายเขาคงเอาไปทิ้งล่ะก็คิดเล่นๆไปสนุกแบมเพราะเราจะไปเรียกใครมันก็ไม่มีเราก็ไม่คิดว่าจะไปเรียกใครอีกเลย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 ลงไปอาบน้าไม่แรงขึ้นน่อยอาบน้าล้างซากาักผ้าซักกติของตนล้างส้อาดไปฉันข้าวตอนเช้าได้เพื่อนอืมมันก็เจ่งนะถ้าเราใจเราอะไรนิดหน่อยก็โอ้ยมันก็เจ่งเลยทุกวันนี่ไม่ค่อยกินอยู่กินยาอะไรยาพูกแก้ปวดนี่เลิกลากันทีซพวกเราไม่ต้องไปกินมัน ปอให้ร่างกายมันช่วยเขามันธรมธรมดาธรรมดาบางทีเล่าไปเอาชนะธรรมชาติมันก็ยิ่งอ่อนแอครงการเจริญสติก็เช่นกันเป็นดัดไปแปลงอะไรให้ทำง่ายง่ายลูก้าไม่ต้องเอานัน่นเอาเน่บางทีจดทูปไว้หนึ่งดอกถ้าทูปไม่หมดจะไม่ลุก เวาเดินจุดทูบไว้ถ้าทูบไม่หมดจะไม่นั่ง น, นี่ไม่ต้องหรอกทำไปเรื่อยๆไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่ารู้ๆผมรู้สึกตัวนะ <c oughs> แต่อยู่ในฉากไหนเราก็จะต้องรู้ถ้มันหลงก็จะต้องรู้ยืนลุกอะไรก็ต้องรู้วางทีอริบทที่เราตั้งไว้มันไม่ทันกับเหตุปัจจัย <c oughs> เราจะไปรู้รู้หน้าไม่ได้ ยุ่งกัดก็ไล่ได้ในการปฏิบัติธรรมอย่าไปลู่ก่อนลู่เห็นก่อนเห็นถูกก่อนถูกผิดก่อนผิดเอาเหตุเอาปัจจัยเนี่ยหลงเวลาใดเปลี่ยนลู่ได้ถ้ปวดเวลาใดก็กําหนดลู่โดยการลู่กำหนดลู่โดยการบรรเทากําหนดลู่โดยการละสังเขาอดทนก็อดทนถึงเขาวที่จะ อ่าวันเท่ากับวันเท่าไปเดินอยู่มันปวดมันเมื่อยแล้วสองชัวโมงแล้วสามชัวโมงแล้วก็ให้มันเกินเหนื่อยไปเกินเหนื่อยไปจะให้คนเหนื่อยมารังคับเราเราไถนานะหัดควายไถายนาเวลาไถนามันไถเป็นงานพอไถเสร็จควายมันก็รู้นะ พอมันเถิดมันเยียบล่องมันไม่มีเพราะมันเถิดมันก็โลภเพรมันเ็ษไถไม่ได้ปักแล้วพอมันเปล่าก็งงหน้ามองร่งก็อนเดิจะออกจากงานที่เราไถเราก็ให้มันออกไปพอออกแล้วไปปดทันทีมันไม่ได้บางตัวเพราะมันลูกมก็ออกวิ่งออกมันเคยปลดกวิ่งออกบางทียกไถข้ามคันนาไม่ทัน มันก็ปลดเห e> มืนเวลามันวิ่งออกปลดทุกทีทเวล า, ามันวิ่งออกปลดทุกทีไม่ได้อ่าพอมันวิ่งออกเราก็ไปแลกงานใหม่อีกไถรอบอีกสองรอบสามรอบจนให้มันเดินปกติเราไถใหม่ใหปลดปลดปลดปลดปลดปลดมอยากลองปลดไว้เร า, ก, าก็ไถไปแต่มันยังผิดปกติเราก็ต้องไถว่าไถไปไถไปจนมันเดินปกติเราก็ปลดกลาง กลางงานนะไม่ต้องออกไปตรงไหนปักไทยไปตรงนั้นถ้ามันเดินปกติก็ปักเอ่ายุดอดไทยออกนี่เราหัดตัวหัดกว้วยทันที่สุดเวลาเราต่อไปงานหนะ้าพอไทยเสียันก็ไม่ได้วิ่งปวดพูกป ด, ดพาดก็เดินธรรมดาหัดตัวหัวเทียมเกียนก็เข็นกันบางทีเกียนกำลังติดหล่อมตีมัน ตั้งตอนเจ็บมันก็จะดันอยู่ยังไปตีมันตอนท่านี่มันดันหนักเต็มทีแล้วแล้วคนขับก็ยังไปตีมันอยู่มันก็เจ็บมันก็ก็ทิ้งแอกดินก็ปวดแอกนี้ไปเพราะมันโถกลมที่ได้มันดันที่ได้ตีมันทุกทีมันก็รู้แล้วว่าถ้าตกหนักแค่ไหนคนขับตีเราแล้วก็ปวดแอกเราเลยเป็นวัวไม่สู้ชีวิตเราก็เช่นกัน สังราวที่มันยากนะอย่าไปถือว่าจัดแร่นะมันมีความชนะอยู่ตรงนั่นก็ได้ความย่งความยากแต่ความทุกข์ความอึดอัดขัดเคืองความอะไรต่างๆอาจจะวิเศษอยู่ตรงนั้นก็ได้เราลวกมันว่าตัวไหนมันตกลบมลงโคลนดันเกลียนอยู่แล้วก็พูดกับมันดีๆลวกหลังมันาปไปไ ป, ไป ไอ้นวนไห้แดงไปมันก็ได้ใจมันก็ไปเข้ามันไปอย่างวัวอะไรกัรพิสางวัวนันที่นันทีนันทิพิสานไปแข่งกันพอเจ้าของไปแข่งกันเพื่อจะเอาเงิน เอาเทียมเงินออกไปมึงคค่ข่าไอ้ชาติหมามึงต้องไปไอ้ค่าไอ้ธาตไอ้ด่ามันมันไม่ไปเลยเจ้าของก็แพ้ละมันเสียใจร้องให้แล้วก็เ อ, วกเอาใหมา่อีกเปลี่ยนใหม่พอเทียมขาวหน้าขาวหลังนี่นกไ็ไอ้เจ้าพ่อไอ้ลูกพ่อ ให้โลกข้อยังช่วยพ่อดันพาเกวียนห้ารอยไปได้เลยชีวิตเรากำลังกันต้องเคลียตัวเองนะยกนิ้วให้ตัวเองคนเดินขเขาเจงก็ไม่ต้องสนใจเราเคลียตัวเราเราก็คนนึงละคิดอย่างนั้นอะไมก่อนาจะเป็นอย่างนั้นพนะระเจ้าจะอกออพระองคนั่นได้ันรลุธรรมแล้วได้บรรลุป็นวันเรากันญาสี อัญญาสีวัตโพคณทันโยอัญญาสีวัตโภคณทันโยอัญญาลู่แล้วอัญญาลู่แล้วเป็นพาาระังหันเกิดขึ้นในโลกเป็นเทวีสงเกิดขึ้นในโลกเป็นรูปหนึ่งอัญญาสีอัญญาสีวัตโภคณทันโยเอาแล้ววัปปะพติมหานามะคงเกิน้อยใจกลมาพร้อมกันบวชพร้อมกันทำไมเขาลกู่ก่อนเราเอาจจะเสียใจ แต่ว่าไม่เป็นไรว่าป่าปฏิยามหานามะ เ, เราก็คนเหมือนกันเราก็คนเหมือนกันนี่นี่มรนะอวันที่สองวันที่สามออกไปก็นลูกกันหมดเลยเอเราจะพูดกันเราว่าลูกข้อนี้แม่นี้เราละคนหนึ่งก็วานี้ก็ได้ไม่เป็นไรเราก็หนึ่งเขาคิดหนึ่งเราก็หนึ่งเหมือนกัน เราทำไมเราทำไมได้ก็รู้ใช่ไหมนะเวลาได้วันคิดเราก็รู้ของเราก็เปลี่ยนมาเป็นตัวรู้ก็เปลี่ยนได้นี่กัไรอย่างนี้นะการบริบัติธรรมจัดสรรจัดการกรับตัวเองให้ถูกกาละเทสะการมรลุธรรมอาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดบางทีจิตนิสัยของเราชอบเรียบเรียบง่ายง่ายทำไป บางคนเรียนหนังสือบางคนข ย, ยันไม่หลับไม่นอนบางคนเขาก็ไม่ข ย, ยันธรรมดาธรรมด า, <c oughs> าสอบเรียนเก่งได้ช่างสังเกตสร้างแก้จุดอ่อนของตัวเองทนหนดลูเลอยลูไ่ลไปบทเรียนขโมยเอาก็มีขโมยเอาไม่ต้องเสื่อมหน้าช่วยโอกาสอยู่ตรงไหนช่วยโอกาสไปบินทัพ บ, บาทช่วยโอกาส รอ้บนงทีเราได้โอกาสจากคนอื่นเดินไปเวียนทวารด้วยกันอืเขาชวนแว่เจ็บผักเขาคุยสอนลักษณะกินผักแบบไหนเขาพูดนะแบบออะไรต่างๆเขเจ็บผักกาดยาเขาสอนวิธีกินก็คุยหลงตัวไปแล้วก็ฟังเขาพูดโอ้เพื่อนของเราหลงแล้วเพื่อนของเราหลงแล้ว เราจะพยายามันไม่หลงมันเขาเขาพูดอย่างนี้แสดงว่าเขาหลงตัวแล้วนี่เราก็ช่วยโอกาสขณะที่เพื่อนหลงเราไม่หลงเราจะไปพูดแบบนี้ก็ได้ก็เรียนจากคนอื่นบ้างนี่ฮะอันนี้ผว่าจะได้ไปอ่าไปจะไปนอนนิษไหมวันที่สิบสองชาวบ้านจะมาทําให้เขาไปชงกันทำอะไรทำมือติ ครับนั่นแหจะอรรรณกันราสตร์มาทำให้จะไปอยู่นั่นเสร็จจะไปวิทยาศาสตร้อมกันเละกับพระฟังนะจะไปดูของอาจาไปดู่ามดูรหังมสัมบโตตัตะวะกัตังวะเน นโตะวโตัมโมัะตุิปโนภะคะวะโตสัโสังั